พุทธประวัติฉบับของภิกษุศีลาจาระชาวอังกฤษแปละเรียบเรียงโดยพระธรรมโกสาจาย์พุทธธาตุภิกขุสวนโมกขพลาราม ตอนที่หนึ่งการกําเนิดของพระสิทธัต <prata> ถะเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วในดินแดนซึ่งบัดนี้เป็นเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดียตอนที่เป็นมณฑลอูดและมณฑลพิหารเหนือนั้นมีอาณาจักรน้อยๆของชนเชื้อชาติต่างๆตั้งอยู่ด้วยกันหลายอาณาจักร มีพระราชาของตนเป็นผู้ปกครองบ้างมีคณะบุคคลในรา ช, ชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้าง ในบรรดาอาณาจักรเล็กๆเหล่านั้นมีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโครัขปุระในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของแม่น้ำรับปตีเป็นดินแดนของชนเชื้อชาติสากยะพระราชาซึ่งปกครองในครั้งนั้นมีพระนามว่าพระเจ้าสุธโธธนะชื่อสกุลว่าโคตมะ มีพระมะเห ส, สีทรงพระนามพระนางสิริมหามายาทรงสเสวยสุขร่วมกันมานานจวบจนทรงพระคันครันรู้พระองค์ว่าจะถึงเวลาประสูตรในไม่นานนี้จึงได้ทูลขออนุญาตเสด็จไปยังนครเทวทหะอันเป็นที่กำเนิดของพระนางเองซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันนัก พระเจ้าสุโธธนะได้โปรดประธานอนุญาตด้วยความเต็มพระทัยยิ่งและอาจเป็นด้วยประเพณีของชาวอินเดียที่สตรีจะต้องไปคลอดบุตรณสถานสกุลเดิมของตนทรงส่งบุรุษไปตระเตรียมเส้นทางพระรา ช, ชดําเนินเพื่อเกิดความบันเทิงเริงรื่นในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระญาติวงศ์ของพระมเหสีในครั้งนั้น ที่กึ่งทางระหว่างนาคนกรกบิลพั์กับนครเทวทหะต่อกันนั้นมีสวนป่าหรือว่าโนทยานอยู่แห่งหนึ่งเรียกกันว่าสวนลุมพินีในฤดูร้อนประชาชนแห่งนครทั้งสองได้พากันเที่ยวเล่นหาความบันเทิงภายใต้ร่มไม้สาระใหญ่ๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอุทยานนั้นและในขณะนั้น ก็เป็นวันเพ็ญแห่งเดือนพฤษภาคมต้นสาระเหล่านี้จึงปกคลุมไปด้วยดอกอันสวยงามตั้งแต่โคนไปถึงยอดบนกิ่งยาวๆของมันมีหมูนกนานาชนิดกำลังร้องด้วยสำเนียงอันไพเราะจับใจหมูมแมลงพึ่งส่งเสียงอื้ออึงและง่วนอยู่กับการเก็บน้ำหวานจากมวลดอกไม้อันมากมาย เหลือที่จะคำนวณได้เมื่อขบวนเสด็จผ่านมาเป็นเวลาเที่ยงพระนางสิริมห า, มายามีพระประสงค์พักเล่นในร่มเงาอันน่ารื่นรมทรงรับสั่งให้เขานำพระองค์ผ่านไปตามระหว่างหมู่ไม้นั้นแต่ชั่วเวลาอันไม่นานเกิดความรู้สึกพระองค์ว่าจะต้องมีการประสูติอย่างกระทันหันในที่นั้นเสียแล้ว และอีกชั่วเวลาเล็กน้อยพระนางก็ได้ประสูตรพระโอรสภายใต้ต้นสาละอันเต็มไปด้วยหมูนกและมแมลงพึ่งณนะสวนลุมพินีวันนั่นเอง เมื่อพระนางสิริมหามายาได้ประสูตรพระโอรสแล้วเช่นนั้นขบวนเสด็จก็งดการพาพระนางไปสุนครเทวทหะแต่หันกลับคืนสุนครกรบิลพัทพระเจ้าสุทโธทธนะทรงประกอบพิธีต้อนรับพระเทวีและพระโอรสด้วยความดีพระไทยยิ่งนัก บนทิวเขานอกเมืองกบิลพัดเป็นที่อยู่แห่งรุษีจำนวนมากมีมหารุษีผู้สูงอายุรูปหนึ่งชื่อกาละเทวินเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดเป็นพิเศษของพระเจ้าสุโธธนะและชาวเมืองกบิลพัดเมื่อได้ทราบข่าวพระราชาซึ่งเป็นมหามิตรของตนได้พระโอรสประสูตรใหม่เช่นนั้น ก็เดินทางมาสู่ราชสำนักเพื่อเยี่ยมชมพระราชกุมารเมื่อรุษีมาถึงพระเจ้าสุโธธนะจึงให้นำพระกุมารมาเพื่อทำความเคารพและขอคำอำนวยพรแต่มหาฤาษีกาละเทวินได้กล่าวห้ามว่ามหาราชา อาตมาเองต่างหากที่ควรแสดงความเคารพพระกูมานนี้มิใช่กูมานธรรมดาอาตมาได้เห็นชัดแล้วว่าเมื่อพระกูมานนี้เจริญวัยจกเป็นศาสดาเอกสอนธรรมอันสูงสุดแก่ชาวโลกโดยแน่นอนทีเดียวพระฤาษีกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้ม แสดงถึงความปลื้ม อ, อกปลื้มใจเป็นล้นพลแต่แล้วเพียงชั่วครู่กลับมีน้ําตาไหลซึมออกมาทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งนองหน้าทีเดียวพระราชาได้ตรัสถามด้วยความตกพระทัยยิ่งว่ามีเหตุอะไรเกิดกับพระคุณเจ้าหรือเมื่อตะกี้นี้พระคุณเจ้ายังยิ้มอยู่บัดนี้กลับร้องไห้หรือพระคุณเจ้า มองเห็นเหตุร้ายอันใดจะเกิดขึ้นกับพระโอรสของข้าพเจ้าพระฤาษีได้ทูลว่าหามิได้มหาราชเจ้าอย่าได้ตกพระทัยเลยไม่มีเหตุร้ายอันใดจะมาแพร่ผ่านพระโอรสของพระองค์ได้เกียรติคุณของพระกุมารจักกรุ่งโรดพระกุมารจักเป็นผู้เรืองอำนาจอันสูงสุด ที่อาตมาภาพร้องไห้เพราะเสียดายว่าอาตมามีอายุมากจนจะต้องล่วงลับไปในไม่ช้าจักไม่มีโอกาสอยู่เห็นพระโอรสของพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระาศาสดาอันสูงสุดในวันหน้าดูก่อนมหาราชเจ้า พระองค์จักมีพระชนมายุอยู่จนถึงวันอันนำมาซึ่งความปิติสุขอย่างยิ่งนั้นแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็เช่นเดียวกันส่วนอาตมาไม่มีโอกาสจะได้ประสบโชคอันใหญ่หลวงเช่นนั้นบ้างจึงไม่อาจอดกลั้นน้ำตาแห่งความเสียดายไว้ได้กล่าวจบพระมหาฤาษี ก็สุดตัวลงประคองอัญชลีแล้วน้อมตัวลงถวายนมำสการแด่พระกุมารพระเจ้าสุดโททนะทรงตกตะลึงในคำกล่าวและการกระทาของมหาฤุษีผู้น้อมศีรษะอันขาวโพลนก้มลงทำความเคารพทารกน้อยๆและในบัตรใจนั้นก็ได้ทรงรู้สึกว่าแม้พระองค์เองก็ควรทำเช่นเดียวกับพระฤาษี ดังนั้นจึงทรงประคองอัญชลีแล้วสุดองค์ลงถวายบังคมแด่พระโอรสของพระองค์เองซึ่งยังเป็นเพียงทารกอยู่เช่นเดียวกับพระฤาษีนั้นในประเทศอินเดียครั้งนั้นมีธรรมเนียมว่าเมื่อเด็กผู้ชายเกิดได้ห้าวัน จะต้องเชิญผู้เป็นปราดมาทำพิธีสักกล่าวแล้วขนานนามแด ก, กูมานตามที่ที่ประชุมจะเห็นควรพระเจ้าสุธโทธทนะก็โดยทรงประกอบพิธีดังกล่าวนี้แด่พระโอรสเช่นกันครั้งนั้นที่ประชุมแห่งนักปราดได้เลือกเฟ้นพระนามให้แก่พระโอรสว่าสิท ธ, ธัตถะซึ่งแปลว่าผู้มีความสำเร็จสมประสง ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจจะทำนักปราดเหล่านั้นได้มองเห็นว่าพระกุมาร น, นี้หากว่าอยู่ครองคารวาตจกเป็นพระราชาพระมหาราชผู้จักรพรรดิในที่สุดถ้าหากไม่อยู่ครองคารวาตแต่ออกบวชเป็นนักบวชแล้วก็จกเป็นพระศาสดาชั้นสูงสุดทํานองเดียวกัน แต่ก็มีนักปราดคนหนึ่งยืนยันพยากรณอนาคตพระกุมารตรงกันกันกบพระรุษีผู้เท่ากล่าวคือเมื่อพระกุมาร น, นี้เติบโตขึ้นจักสลรราชบัลลังก์และราชอาณาจักรแล้วประพฤติพรหมจรรย์จนบรรลุธรรมเป็นศาสดาเอกในโลก เป็นธรรมดาอยู่เองที่พระราชาย่อมดีพระไทยที่ราชบัณฑิตลงความเห็นว่าพระโอรสเมื่อทรงเจริญวัยแล้วจักเป็นมหาบุรุษแต่แล้วพระองค์กลับไม่สบายพระไทยในข้อที่ว่าพระโอรสอาจจะออกบวชเป็นผู้สอนศาสนาไปเสียพระองค์ประสงค์ให้พระโอรสทรงเป็นอยู่อย่างที่ชาวโลกเขาทำกัน กล่าวคือสมรสและมีบุตรในเมื่อพระองค์เองก็ชาราภาพมากแล้วทรงประสงค์ที่จะเห็นพระโอรสขึ้นครองบัลลังก์ปกครองประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขดังที่พระองค์กระทำมาทรงราพึงว่าต่อไปวันหน้าใครจะรู้ได้ว่าลูกของเราอาจครอบครองทั้งชมพูทวีปเป็นจอมจักรพรรดิก็เป็นได้ จากการที่ทรงคิดเช่นนี้ก็ทำให้พระองค์มีความหวังและอิ่มเอิบพระไทยยิ่งแต่แล้วพระองค์ต้องประสบความหม่นหมองโศกเศร้าพระไทยด้วยจำเดิมแต่พระนางเจ้าสิริมหามายาได้ประสูติพระสิทธทัตถะแล้วก็ทรงประชวนและไม่อาจกลับมีพระกำลังดังเดิมแม้แพทย์จะร่วมกันพยาบาลประคับประคองอย่างดีเลิศตามราชศัก์ พระราชินีทั้งหลายพึงได้รับแต่ไหนที่สุดพระเทวีก็สิ้นพระชนม์ชีพในวันที่เจ็ดจากวันที่ได้ประสูติพระโอรสคือหลังจากวันที่ถวายพระนามพระโอรสได้เพียงสองวันเท่านั้นด้วยเหตุที่พระนางเป็นกุลสตรีที่ประเสริฐสุดเป็นพระเทวีที่มีคุณธรรมสูงเหนือเทวีทั้งหลาย ประชาชนคนทั้งปวงจึงโศกเศร้าเสียดายพระนางเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่สุดคือพระเจ้าสุดโททนะพระราชสวามีของพระนางซึ่งจำต้องยอมประทานพระโอรสกัมพรานี้ให้อยู่ในความอารักขาของพระเทวีองคหนึ่งซึ่งเป็นพระนานางมีพระนามว่ามหาประชาบดีซึ่งก็ได้เอาพระไทยใส่ รักใคร่ทนุถนอมราวกับว่าเป็นพระโอรสของพระองค์เองด้วยเหตุนี้พระสิท ธ, ธัตถะจึงไม่เคยเห็นพระพักตร์พระมารดาที่แท้จริงของพระองค์เลย